สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่สามสิบห้านะครับโดยมีหัวข้อย่อยก็คือการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูที่หมู่บ้านคานานะครับเป็นครับพระธรรมยอห์นเป็นพระคัมภีร์เล่อเดียวที่เล่าถึงการอัศจรรย์ครั้งแรกนี้เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวซึ่งทราบกันในหมู่สาวกรุ่นแรกครับพี่น้องคงจําได้ไหมครับว่าสาวกรุ่นแรกนั้นที่พระเยซูทรงเรียกนั้นมีห้าคน นะครับนอกจากข่าวในื่อนี้แล้ก็จะมีคนใช้บางคนและคนในครอบครัวของพระเยซูเท่านั้นที่ทราบนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึง37ครั้งด้วยกันที่ได้บันทึกในพระมัทธิวแต่ทีนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในพระวจนะของพระเจ้านะครับ <c oughs> ในยอห์นบทสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับจังง่ายๆครับยอห์นบทสุดท้ายข้อสุดท้ายก็ได้มีบอกว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูนั้นนะครับหรือสิ่งที่พระเยซูทรงกระทํานั้นถ้าจะเขียนไว้บททุกสิ่ง ยอนก็คาดว่าแม้หมดทั้งโลกนี้ก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียน น, นั้นนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่เปียสูนั้นได้ส่งกระทําในโลกนี้นั้นมีมากกว่านะครับมากมานะยนักเยอะแยะมากจนเขียนไม่หมดครับหรือถ้าว่ารวมทั้งสิ่งที่เปียสูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้านะครับกระทําเองตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแน่นอนครับหนังสือทั้งโลกก็เขียนไม่พอนะครับนั่นเป็นความจริงสเสมอ คือนะครับเรากลับมาดูในการกเดินครั้งแรกที่หมูม่บ้านก า, านาครับเปียซูได้กระทําหลายสิ่งหลายอย่างแต่ผู้ที่บันทึกนะครับพี่น้องจําได้ครับสาวุกรุ่นแรกของพระเยซูนะครับหนีว่าห้าคนนะครับคนที่บันทึกที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือยอนครับยอนนั้นได้เขียนว่าอย่างนี้นะครับในพระธรรมยอนบทที่สองข้อหนึ่งถึงสิเอ็ดในข้อที่หนึ่งยอนเล่าว่าในวันที่สามเห็นครับในวันที่สามนั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ายอนนั้นอยู่ใน เหตุการณ์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอยอนั้นได้บันทึกละเอียดมากจนเห็นภาพนะครับแต่วันที่สามีงานสมรสที่บ้านคานาแควนกา ล, ลีนะครับเปียซูทรงเริ่มปฏิบัติหน้าที่และทรงทําการอาารัดเส้นครั้งแรกของพระองค์นะครับหมู่บ้านคานานั้นอยู่ใกล้ใกล้นาเสรดกับแสดงว่าตั้งอยู่ในแควน้นอะไรครับพี่น้องตั้งอยู่ในแควนกาลีครับเพราะนาเสรดนั้นเป็นเมืองที่อยู่ในแควนกาลีเป็นเมืองที่เปียซูโ ต, ตเปียซู ทรงมีพระสมัญญานามนะครับว่า jesus of na นาเชเลนะครับนาเชนั้นก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านคนาครับหมู่บ้านคนานั้นเป็นเมืองที่อยู่อาศัยนะครับเมืองที่อยู่อาศัยแล้วก็ห่างไปนะครับทางตะวันตกขอโทษครับอ่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและเรารู้นะครับว่านานเหนวมาจากหมู่บ้านคนาครับพี่น้องครับหมู่บ้านคนาอยู่ใกล้ๆนาเชเล็ต เมืองที่อยู่อาศัยของพระเยซูประมาณแปดกิโลห่างจากนาซาเ็ตนะครับมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นด้วยแสดงว่ามารดาพระเยซูมารีนั้นมีส่วนรับผิดชอบในงานนี้หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเจ้าภาพนั้นอาจจะเป็นคนที่กว้างขวางมากกับรู้จักกับสาวกของพระเยซูทั้งห้าคนแล้วก็รู้จักกับครอบครัวของพระเยซูด้วย มารีนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันเป็นโอกาสที่เปียสุกระทำการอัศจรรย์ครับข้อที่สองบอกว่าสาวกของพระเยซูมาร่วมด้วยนะครับผมขอทบทวนครับสาวกทั้งห้าของพระเยซูนั้นมีชื่ออะไรครับย้อนอันดรูรูเปตโตนะครับฟิลิปและนาธา น, นาเอลน้องครับหลังจากที่เปียสุเสร็จออกมาจากกิน่นธนกันดานวันต่อมาเปียสุเสร็จไปยังกาลิลีใช้เวลาเดินทางครับสองวันครับจากบเบธานีซึ่งอยู่ใกล้เหมือนครับ ใกล้เมืองเยริโคครับเยริโค er นั่นอยู่ในแคว้นยูเดียนะครับใช้เวลาสองวันเพื่อที่จะเดินไปที่บ้านคนาครับขณะระหว่างเดินทางพระเยซูก็พบฟิลิปและเรียกฟิลิปแล้วก็พบนาธานนาเอลซึ่งเป็นชาวบ้านคนาจะต้องเห็นภาพเลยครับว่าทั้งห้าคนก็มาร่วมงานสมรสที่หมู่บ้านนี้งานสมรสของพวกตะวันออกนะครับออกกลางนั้นมักจะกินเวลา เจ็ดวันกับเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครั บ, รบงานเลี้ยงมักจะมีขึ้นหลังจากที่เจ้าบ่าวได้นําเจ้าสาวมายัางบ้านของตัวเองหรือบ้านของพ่อของเจ้าบ่าวนะครับก่อนพิธีสมรสเริ่มขึ้นมักจะมีกระบวนการเพื่อนๆ น, นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวนะครับติดตามเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีการบรรเลงดนตรีหลังจากพิธีสมรสก็จะมีการเลี้ยงอาหารคําเล่าอู๋นับเป็นเครื่องดื่มที่สําคัญขาดไม่ได้ในงานเลี้ยงเหล่าอุ๋นเป็นเครื่องดื่มหลักของ ชาวยูวนะครับคำสอนของชาวยูวบ่งบอกว่าการดื่มเหล้าองุ่นเกินจําเป็นก็จะเป็นการขัดต่อพระบัญญตัติและการเมาเหล้าหย่อมเป น, นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าละอายในสังคมชาวยูแต่กินได้ครับถ้าไม่เมาอย่างไรก็ตามนะครับในงานเลี้ยงหากเหล้าองุ่นหมดไม่มีอย่างอื่นไม่ให้แขกดื่มเป็นเรื่องที่เสียหน้าและละอ า, ายมากนี่คือสิ่งที่โยเซฟนะครับกรโทษกับนิสสินนิมารีได้บอกกับพระเยซูว่าเขามีเหล้าองุ่นใช่ไหครับข้ามปีตอนนี้ได้บันทึกว่า มารีเท่านั้นนะครับไม่ได้พูดถึงโยเซสันนิฐานว่าโยเซสคงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับคําตอบของพระเยซูในข้อที่สี่ครับพระเยซูบอกว่าให้เป็นทุระของข้าพเจ้าเถิดพระเยซูทรงเป็นแขกรับเชิญในงานนี้นะครับทําไมมารีซึ่งเป็นคุณแม่ได้มาบอกปัญหาเรื่องไม่มีน้ำมังงุนพระเยซูตัสว่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงข้อความเหล่านี้บันทึกไว้อยู่ในพระหัตถ์ น, นะครับพระเยซูยังทรง ไม่พร้อมที่จะแสดงอำนาจยิ่งใหญ่ต่อหน้าแขกเรือจากภานาและคนอื่นๆในเมืองกาเรีในแคว้นกาเรีครับแต่ไยงก็ตามครับพระเยซูทรงช่วยคุณแม่ของพระองค์แก้ปัญหาเรื่องไม่มีน้ำมังงุนในงานฉลองสมรสนางมารีนั้นคาดหวังว่าพระเยซูจะช่วยได้ก็เินบอกคนใช้บอกว่าจงกระทำตามที่ท่านสั่งเถิดในพิธีทำธรรมเนียมนะครับชำระของคนยิว ก่อนที่เข้าบ้านนะครับเขาจะตักน้ําจากโอ่งมาล้างเท้าใช่ไหมครับนะครับล้างเท้าให้สะอาดเทายูถือว่าเท้าสะอาดนะครับก็สะอาดเข้าบ้านได้เหมือนกับคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นนี่เขาจะมีโซนที่ไม่สามารถใส่รองเท้าเข้าไปได้นะครับจะต้องเปลี่ยนรองเท้าพี่น้องครับชทายูก็เหมือนกันคนไทยก็เหมือนกันนะครับจะเข้าบ้านเข้าเรือนก็จะต้องเอถอดรองเท้านะครับจะเข้าวัดเข้าวาก็ต้องถอดรองเท้า ชาวยิวที่เคร่งมากจะล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกมือน้ําในโอ่งหกใบนี้นะครับตักใส่ไฮทูนชีษะมาจากบอ่อน้ำประจามู่บ้านเนื่องจากมีแขกเผื่อมากมายโอ่งหกใบนี้จึงไม่ได้มีน้ําเต็มนะครับเพราะว่าน้ําถูกใช้ไปแต่ข้อที่เจ็ดนะครับบอกว่าพระเยซูตรัสว่าจงตักน้ําใส่อ่องให้เต็มเถิดคนใช้ก็บรรจุน้ําตามสั่งปกตินะครับจะใช่เหล้าองุ่น นะครับผสมด้วยน้ำสามส่วนเฟเซูทรงตั้งใจที่จะทําการอัศจรรย์ครับซึ่งทุกคนที่เห็นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีที่จุนะครับหัวาน้ำมั ง, งุนเพื่อผสมเป็นเหล้าอ ง, งุ่นได้เลยพระเยซูก็สั่งกับคนใช้ว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดปรากฏว่าน้ํานั้นกลายเป็นเหล้าอ ง, งุ่นครับที่เป็นการอัศจรรย์ที่เฟเซูทรงกระทำํำมีแต่เราคนใช้ที่รู้นะครับเมื่อตักน้ํา ที่กลายเป็นเหล้าใส่เหยือกรู้ว่าน้ําที่ตัวเองตักนั้นมีกลิ่นแอลกอฮอล์ขึ้นมาฉุนเลยครับกลายเป็นเหล้าองุ่นเสร็แล้วเจ้าภาพชิมแล้วนะครับหรือแขกชิมแล้วก็ปรากฏว่ามักจะเรียกมาแล้วก็เหมือนกับมาบ่นต่อวา่าทีนี้นะครับบอกว่าทําไมทําไมโดยปกติงานเลี้ยงแบบนี้มักจะเหล้าองุ่นเอาเหล้าองุ่นเยี่ยมที่สุดมาให้แขกดืม่มแต่ท่านเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยดัน ไปเก็บเล่าองุ่นอย่างดีไว้จนกทั่งเกือบสุดท้ายพี่น้องครับนี่เป็นการอาศัศจรรย์เป็นหมายสําคัญครั้งแรกครําว่าหมายสําคัญนั่นคืออะไรครับเป็นทรายครับเป็นหมายสําคัญก็คือว่าให้รู้ว่าคนทํานี่เป็นใครนะครับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์ครั้งแรกนะครับพี่น้องครับยอนผู้ให้บพัพติศมาบอกแอนดูและยอนนะครับว่าพระเยซูทรงเป็นใครครับ พระเมษโปดกของพระเจ้าครับพี่น้องครับขณะที่เรากําลังศึกษาชีวิตของบรรดาสาวกนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพวกเขานั้นได้พบกับ ก, บการอัศจรรย์หมายสาคัญพวกเขาจึงเชื่อในฤทธิอานาจของพระเยซูนะครับความเชื่อของเขานั้นยังเบ่งบานเติบโตนะครับและพวกเขาต้องเรียนรู้อีกมากมายจากการติดตามพระเยซูดันะครับชีวิตของเราเบ่งบานเติบโตที่ล่าครับมีความสดชื่นชื่นชมยินดี นะครับในการเดินกับพระเยซูทุกวันหรือเปล่าครับเราได้เรียนรู้อะไรจากพระเยซูและชีวิตของพระองค์บ้างขอให้เราที่จะมีโอกาสให้ควรภาวนาธรรมนะครับในจิตใจของพี่น้องเพื่อที่ให้เกิดสันติสุขและความชื่นชมยินดีในการติดตามพระองค์อย่างมีเป้าหมายต่อไปอาเมน